ปล่อยเขาทำไปเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายเอาอะไรมากมายในความอันัตตาโลภไปทำไมช่วงชิงแข็งพันสุดพายเหมือนกันต้องไปป่าชาจะเอาอะไรแค่รักโลภโลกร่งไม่มีวา ม, มันคงบนกิเลตันหาจิดแก่เจ็บตายให่จะไปยุด ใครจะเมินใครจะมองได้จะต้องไว้วันใครจะใส่ร้ายกันยายจะต้องสนใจใครจะดีใครจะเลวมันก็เรื่องของเขาใครจะนินทาเรายายจะต้องทุกข์ใจใครจะล้อใครจะด่ายายจะต้องว่าต่อบใครไม่สนใครไม่ชอบยายจะต้องใส่ใจได้จะคิดใส่ความยายจะต้องวุ่นจิตหากตัว ทำไมเกิดเป็นมนุษย์